เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่2มีนาคมพุทธศักราช2551เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาทำบุญให้ทานเพื่อมารักษาศีลเพื่อมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญปัญญาตามสมควรแก่กำลังแห่งสติปัญญาศรัทธาความภาคเพียรเพราะการกระทำเหล่านี้มีผลที่ดี ให้กับชีวิตจิตใจทำบุญให้ทานก็จะทำให้เรามีความอิ่มใจสุขใจมีสเสบียงติดตัวไปในภายภาคหน้าเวลาไปเกิดพบหน้าชาติหน้าจะได้มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองรอเราอยู่รักษาศีลก็จะป้องกัน ไม่ให้ชีวิตของเราตกต่ำไม่ให้จิตใจของเราต่ำจากความเป็นม น, นุษย์ลงไปสู่ความเป็นเดรัจฉานและเปรตหรือสัตว์นรกต่างๆฟังเทศฟังธรรมก็จะทำให้เรามีปัญญารู้จักวิธีที่จะแก้ปัญหาทางจิตใจ รู้จักวิธีดับทุกข์ภัยต่างๆที่มารมุมเร้าจิตใจได้รู้จักวิธีดำเนินชีวิตให้ไปสู่ความสุขและความเจริญที่แท้จริงความสุขของผู้ครองเรือนพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้ว่ามีอยู่สประการด้วยกันคือ 1. การมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์ 2. การใช้ทรัพย์ 3. าการไม่มีหนี้4การกระทาที่ไม่เกิดโทษนี่คือความสุขที่ผู้ครองเรือนศรัท ธ, ธาญาติโยงทั้งหลายสามารถมีกันได้ถ้ารู้จักวิธีทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมา เช่นการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์นี้ก็มีได้มาหรือเกิดขึ้นมาได้ 2. วิธีด้วยกันได้มาโดยโดยการกระทําที่ไม่เกิดโทษและได้มาด้วยการกระทําที่เกิดโทษการได้มาด้วยการได้ทรัพย์มาด้วยการกระทําที่ไม่เกิดโทษก็คือ การได้ทําบุญให้ทานไว้ในอดีตและส่งผลให้มาให้เรามาเกิดอยู่กับครอบครัวที่มีฐานะดีเช่นเป็นลูกของเศรษฐีลูกของมหากษัตริย์<ม>ก็เป็นอนิสงส์ที่เกิดจากการได้ทําบุญให้ทานมาในอดีตถ้าไม่ได้ทําบุญให้ทานมาในอดีตถ้าเกิดมาแล้วยากจน วิธีที่จะทำให้มีทรัพย์หรือได้ทรัพย์ขึ้นมาก็คือการมีความขยันหมั่นเพียรในการที่จะทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทำผิดกฎหมายไม่ทำผิดศีลธรรมก็จะไม่มีโทษตามมาและเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วก็รู้จักเก็บรักษาไม่ใช้แบบฟุ่มเฟือย ใช้ทเท่าที่จำเป็นเก็บไปเรื่อยๆเมื่อแล้วก็นําเอาทรัพย์ที่เก็บไว้นี้ไปลงทุนทรมหากิยขยายกิจการให้ให้มีมากขึ้นทำให้มีรายได้มากขึ้นไม่นานก็จะสามารถร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้เช่นเดียวกันมีคนหลายคนที่เป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาได้ พด้วยการทำหมากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บรู้จักออมจนกลายเป็นหมาเศรษฐีขึ้นมาถ้าเราศึกษาประวัติของเศรษฐีของของคนที่อยู่ในประเทศเราเราก็จะเห็นว่าบางคนก็ไม่มีอะไรเลยมีแต่หมอนกับเสือมาเพียงใบเดียวเท่านั้นเอง ไม่มีไม่ได้เกิดเป็นลูกของเศรษฐีไม่มีเงินมีทองติดตัวมาแต่อาศัยความขยันหมั่นเพียรความซื่อสัตย์สุจริตความอดทนความอดออมต่างๆทําให้ไม่นานก็ได้กลายเป็นเศรษฐีเป็นผู้มีทรัพย์ขึ้นมาได้นี่คือความสุขอย่างหนึ่งที่เกิดจากการมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์ มาด้วยการกระทาที่ไม่เกิดโทษถ้าอยากจะได้ทรัพย์แต่หามาด้วยความทุจริตทำผิดกฎหมายทำผิดศีลธรรมถึงแม้จะเป็นเศรษฐีแต่จิตใจก็จะมีแต่ความวุ่นวายมีความกางมังวลความหวาดกลัวและเป็นจิตใจที่ไม่มีไร้มนุษยธรรม คือเป็นจิตใจที่โหดร้ายทารุณไม่คำนึงถึงผู้อื่นไม่ไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นถ้าตนต้องการทรัพย์แล้วแล้วก็ไม่สนใจทั้งสิ้นว่าจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครขอให้ได้ทรัพย์มาเป็นใช้ได้นี่คือลักษณะของการได้ทรัพย์หรือมีทรัพย์ ด้วยการเกิดโทษตามมาจิตใจจะวุ่นวายทำผิดกฎหมายไม่ช้ากเ็เลก็จะถูกเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองจับไปลงโทษถ้าทำผิดศีลผิดธรรมตายไปก็ไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องไปใช้กรรมในนรกต้องไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นเดรัจฉานดังนั้นการที่จะมีทรัพย นั้นก็มีได้สองวิธีด้วยกันวิธีที่ไม่มีโทษมีแต่ความสุขก็คือวิธีที่ที่ให้ทำด้วยความสุดจริตให้ขยันหมั่นเพียรหาเงินหาทองเก็บออมไว้เมื่อได้มาหรือทำบุญไว้มากๆในอดีตพอเกิดได้มาเกิดเป็นรูปของเศรษฐีรูปของคนมีฐานะ นี่คือความสุขประการหนึ่งของผู้ครองเรือนประการที่สองความสุขที่เกิดจากการได้ใช้ทรัพย์เพราะถ้ามีทรัพย์แล้วไม่ใช้ทรัพย์ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็จะกลายเป็นปูโสมเฝ้าทรัพย์ไปจะไม่ได้รับความสุขเท่าที่ควรเวลามีทรัพย์ก็มีความสุขคือมีความมั่นใจมีความมั่นคง ว่าจะไม่เดือดร้อนไม่ตกทุกข์ได้ยากไม่ลําบากลําบนแต่ถ้าหวงเสียดายไม่กล้าเอาไปใช้ก็จะไม่ได้ความสุขที่เกิดจากการได้ใช้ทรัพย์ถ้ามีความต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ถือว่าเป็นความฟุ่มเฟือยมากจนเกินไปหรือเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้อง นำมาเพื่อให้ชีวิตอยู่อย่างสุขอย่างสบายมีทรัพย์ก็ควรจะใช้มันแบบนี้คือใช้ในสิ่งที่จะช่วยบำรุงชีวิตของเราให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเช่นเราไม่มีบ้านอยู่เราเช่าบ้านเขาอยู่ตอนนี้เรามีเงินพอที่จะซื้อบ้านอยู่เองเราก็ซื้อบ้านมาอยู่ ถ้าเราต้องการสิ่งเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆในบ้านเราก็ซื้อมาได้เราก็จะมีความสุขกับการได้ใช้ทรัพย์การใช้ทรัพย์แบบนี้ก็จะไม่เกิดโทษเพราะจะมีขอบมีเขตมีเหตุมีผลไม่ได้ใช้ตามอารมณ์ความอยากความต้องการถ้าใช้ตามอารมณ์ของความอยากความต้องการ เห็นอะไรอยากจะได้อะไรก็ซื้อมาโดยที่ไม่มีความจําเป็นไม่ได้เสริมให้ชีวิตของเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นแต่อย่างใดไม่ได้เสริมให้ชีวิตของเรามีความสะดวกความสบายมากยิ่งขึ้นอย่างไรอย่างนี้ใช้ไปก็จะเสียเงินเปล่าเป็นของฟุ่งเฟือยไปเช่นเสื้อผ้าอาพลถ้าเรามีพอเพียง แล้วเราก็ไม่ควรที่จะซื้อมาใหม่อีกรองเท้าก็ดีอะไรต่างๆก็ดีที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องมีไว้ใช้ถ้าเรามีพอเพียงแล้วเราก็ไม่ควรที่จะไปซื้อของใหม่มาอีกควรจะรอให้ของเก่าชำรุดเสียไปแล้วเสียไปก่อนแล้วจึงค่อยซื้อมาทดแทนถ้าปล่อยให้ซื้อไปตามความอยากความต้องการของใจ เดีวเงินทองก็จะหมดไปเพราะความอยากไม่มีขอบเขตแม่น้าน้ําในมหาสมุรนี้ถึงแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตามก็ยังมีฝั่งมีขอบแต่ความอยากนี้พระพุทธเจ้าทรงจัดว่าไม่มีขอบไม่มีฝั่งอยากได้เท่าไหร่ยิ่งกลับทําให้เกิดมีความอยากมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุด ความอยากนี้ก็จะกลับมาทำรายตนเองเพราะจะใช้ทรัพย์จนไม่มีเหลืออยู่เมื่อไม่มีทรัพย์แล้วก็จะเกิดความเดือดร้อนจะต้องขายทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่มีอยู่ถ้ายังไม่หยุดใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยแบบสุรุยสุรายต่อไปก็จะกลายเป็นคนยากจนขึ้นมาก็จะมีแต่ความทุกข์รุ่มเร้า ดังนั้นเวลาใช้เงินใช้ทองก็ควรใช้สติปัญญาควบคู่ไปด้วยพิจารณาด้วยว่ามันจำเป็นหรือไม่หรือมันจะช่วยให้ชีวิตของเราอยู่สะดวกสบายขึ้นหรือไม่เช่นเมื่อก่อนนี้เราต้องขึ้นรถเมล์ตอนนี้เรามีทัพย์พอที่จะซื้อรถยนต์เพื่อที่จะพาเราไปที่ไหนมาไหนได้ให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น การซื้อรถยนต์มาใช้เพื่อการเดินทางก็ไม่ถือว่าเป็นของฟุ่มเฟือยของไม่จําเป็นแต่ถ้ามีอยู่คันหนึ่งแล้วแล้วยังอยากจะซื้ออีกคันสองคันทั้งๆ ท, ที่ขับได้ก็ขับได้ทีละคันอย่างนี้ก็ไม่ควรที่จะไปซื้อมากเกินไปเพราะความอยากนี้มันจะหลอกให้เราใช้เงินไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราจะเดือดร้อนในภายหลัง ดังนั้นเวลาจะใช้เงินใช้ทองก็ขอให้ใช้ด้วยเหตุด้วยผลใช้ด้วยสติปัญญาพิจารณาให้รอบครอบว่าเป็นของฟุ่มเฟือยหรือเปล่าว่าเป็นของเป็นของจาเป็นหรือเปล่าว่าเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกความสะดวกความสบายให้หรือเปล่าถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีมีคุณมีประโยชน์เราก็ใช้ไปได้ มันจะไม่ไปแบบไม่มีขอบไม่มีเขตเหมือนกับความอยากเพราะความอยากนี้เป็นอารมณ์อารมณ์นี้เมื่อเกิดขึ้นมาในใจแล้วมันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกทรมานใจถ้าไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้แต่ถ้าเป็นเหตุเป็นผลนี้มันจะไม่ทรมานใจและมันจะไม่มันจะไม่ต่อเนื่องไม่เหมือนกับความอยาก ได้ของที่เราอยากได้วันนี้แล้วเดี๋ยววันหน้าก็จะเกิดความอยากขึ้นมาใหม่อีกดังนั้นเวลาใช้เงินที่จะให้เกิดความสุขขึ้นมาเราก็ต้องใช้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติด้วยปัญญาเช่นเราใช้เงินไปลงทุนไปทําการค้าเพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นการใช้เงินที่มีเหตุมีผลเพราะจะทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่ใช่มีรายได้นลดลดน้อยลงไปถ้าใช้แบบนี้ก็จะเป็นประโยชน์จะทําให้เรารวยขึ้นมีทรัพย์มากขึ้นไป <c oughs> นี่คือความสุขที่เกิดจากการใช้เงินใช้ทองต้องรู้จักใช้ใช้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติด้วยปัญญาและประการที่สามความสุขที่เกิดจากการไม่เป็นหนี้ นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเพราะเวลาเป็นหนี้แล้วเราก็จะต้องคอยกังวลใช้หนี้ที่เราไปกู้เขามาถ้าเราไม่มีเงินพอที่จะซื้อสิ่งต่างๆที่เราต้องการ mm hmm. ก็ขอให้เราใช้ความอดทนอดกลั้นไว้ก่อนอยู่ไปแบบที่เราอยู่แบบนี้ไปก่อนก็ได้ถ้าเรายังอยู่ได้ไม่เดือดร้อน จนเกินไปก็ไม่ควรที่จะไปกู้หนี้ยืมสินเพราะการกู้หนี้มาแล้วก็จะกลายเป็นภาระทางด้านจิตใจจะต้องคอยห่วงคอยกังวลที่จะหาทรัพย์หาเงินมาใช้หนี้ยิ่งถ้าเรากู้มาเพื่อใช้กับในสิ่งที่จําเป็นยิ่งยิ่งไม่ควรใหญ่แต่ถ้ามันจําเป็นจริงๆถ้า ถ้าไม่มีทางอื่นแล้วก็ก็ควรระมัดระวังต้องใช้ต้องไปกู้แบบที่เรามีปัญญาที่จะใช้คืนก็ได้เช่นเรามีหลักทรัพย์ไม่ควรไปกู้แบบที่เราไม่มีหลักทรัพย์ไปกู้ที่ตามธนาคารดีกว่าไปกู้กับคนที่เขาปล่อยกู้เพราะปล่อยกู้แบบดอกเบี้ยแพงๆนี้โหดร้ายทารุ่มเดือนละต้องสามสี่บาทอย่างนี้ อย่างนี้มากจนกอนไปไปกู้ตามธนาคารเขาก็ยังมีมีดอกเบี้ยที่พอประมาณที่เราจะพอที่จะใช้คืนเขาได้และเราก็ต้องมีหลักทรัพย์วางไว้ด้วยดังนั้นกู้แบบนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเราไม่มีปัญญาใช้เขาเราก็ให้เขายึดหลักทรัพย์ไปเท่านั้นเองเราก็ไม่ต้องมาคอยกังวล แต่ถ้าเราไม่มีหลักทรัพย์แล้วเรายังอยากจะกู้แล้วเราไปกู้กับคนที่เขาไม่เรียกหลักทรัพย์แต่จจะเรียกดอกแพงๆอย่างนี้พอเราไปกู้แล้วเราก็จะลําบากจะต้องหาเงินมาใช้ทั้งต้นและทั้งดอกและถ้าเราใช้เขาไม่ได้เขาก็อาจจะมาทําร้ายเราอาจจะมาค่มขู่ต่างๆนาน า, นา นีเราอาจจะต้องหลบหนีไปอยู่แบบปกติไม่ได้เพราะกลัวเจ้านี้จะมาทำร้ายดังนั้นการที่เราจะอยู่โดยที่ไม่มีหนี้นี้เราต้องอยู่แบบมักน้อยสโดอนคือเราต้องรู้จักเจียมตัวเราต้องรู้จักฐานะของเราเรามีน้อยเราก็ต้องใช้แบบน้อยๆใช้เท่าที่จำเป็น เช่นเสื้อผ้าเรามีเพียงสองสามชุดไว้ใส่ก็พอเพียงอาหารเราก็กินตามอัตภาพของเราตามเท่าที่เราจะมีเงินซื้อหามากินได้บ้านถ้าเราไม่มีอยู่เราก็เช่าอาศัยเขาอยู่ไปก่อนก็ได้อย่าไปอยากมีเหมือนคนอื่นที่เขามีกันแล้วต้องไปกู้หนี้ยืมสินหรืออยากจะ ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ไม่มีเงินพอหรือ ม, มีแล้วใช้จนหมดแล้วยังหยุดเที่ยวไม่ได้ยังอยากจะเที่ยวต่อก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขามาเที่ยวอย่างนี้จะเป็นความสุขเพียงชั่วครู่ในขณะที่ได้เที่ยวแต่หลังจากนั้นแล้วก็จะกลายเป็นความทุกข์ตามมาเพราะเจ้าหนี้จะต้องคอยมาตามหนี้เรื่อยๆ เจอเห็นเจ้านี้ก็ต้องคอยหลบหน้าหลบหนีเขานี่คือความสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้พวกเราทุกคนสามารถอยู่กันได้โดยไม่มีหนี้ถ้าเรามีความอดทนอดกลัน้นมีความมักน้อยสันโดษเพราะว่าพระนี่ท่านก็อยู่แบบมักน้อยสันโดษท่านก็อยู่แบบตามมีตามเกิด ท่านก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปมีหนี้คนเ่านี้ไม่จำเป็นจะต้องมีหนี้ถ้าเรารู้จักความมักน้อยสัมโดรรู้จักประมาณรู้จักใช้โดยประมาณใช้เท่าที่จำเป็นไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือยเช่นแชมพซื้อก้อนละสิบบาทมาใช้ก็ใช้ได้ไม่จะเป็นต้องไปซื้อก้อนละร้อยบาท เสื้อผ้าไม่จำเป็นต้องซื้อชุดละหลายพันชุดละร้อยสองร้อยนี่ก็ใช้ปกปิดร่างกายได้เหมือนกันนี่คือวิธีที่จะอยู่แบบไม่มีหนี้ต้องอยู่แบบมากน้อยสันโดษสันโดษก็คือยินดีตามมีตามเกิดเราพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่และยินดีกับสิ่งที่เราได้มาเราทามากินด้วยความซื่อสัจจเจริญ เราได้มาเท่าไรก็ให้มีความยินดีเท่านั้นเราก็จะมีความสุขได้ถ้าเราไม่มีความยินดีมีความอยากจะได้มากขึ้นมาความอยากนี้จะสร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับเราและจะผักดันให้เราต้องไปกู้หนี้ยืมสินและก็จะต้องมาทุกขงง์กังวลกับเรื่องการใช้หนี้หรือหลบหนีเจ้าหนี้ซึ่งไม่คุ้มกับกับสิ่งที่ได้มาเลย ดังนั้นขอให้เราฝึกอยู่แบบมักน้อยสันโดษความมักน้อยสันโดษนี้ไม่ได้เป็นสิ่งชั่วร้ายแต่เป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราความยากจนนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าอับอายขายหน้าแต่อย่างใดแต่การเป็นหนี้เขานี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายขายหน้ากว่าการที่ไปกู้หนี้ยืมสินคนอื่นเป็นสิ่งที่อับอายขายหน้า และไปรบกวนคนอื่นโดยไม่จําเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขาดีกับเราเขาดีกับเราเราก็เลยฉวยโอกาสไปขอกู้นี้ยืมสินจนเขาเกิดความเบื่อระอาขึ้นมาและในที่สุดเขาก็จะต้องตัดเราออกจากความสัมพันธ์เพราะว่าให้กู้ให้ให้ยืมเท่าไหร่ก็จะไม่รู้จักพอและจะไม่ใช้คืนด้วย ดังนั้นไม่ควรที่จะไปกู้นี่ยืมสินกับคนที่เรารักและเคารพเราควรจะหัดใช้วิธีอยู่แบบเรียบง่ายอยู่แบบอดทนอดกลั้นตามมีตามเกิดจะดีกว่าแล้วเราจะรักษาความน่ารักนา่าเรื่มใสในตัวของเราไว้ได้คนอื่นที่เขาดีกับเรา ถ้าเขาเห็นเราเดือดร้อนจริงๆเดี๋ยวเขาก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเองเราไม่ต้องไปขอร้องจากเขาแต่อย่างใดเพราะเขาเห็นแล้วว่าเราไม่ได้เป็นคนโลภมากอยากได้มากอยากมีมากเราอยู่แบบมักน้อยสันโดษอดทนอดกลั้นถ้าเขาเห็นว่าเราลําบากเดือดร้อนเขาก็จะอดทนที่จะช่วยอด อดใจที่จะช่วยเหลือเราไม่ได้เขาก็ต้องมาช่วยเหลือเราเองเช่นญาติโยมที่ชอบไปทําบุญกับพระที่ท่านอยู่แบบเรียบง่ายอยู่แบบมากน้อยสโดก็ดพราะเห็นเห็นใจท่านเห็นว่าท่านอยู่อย่างอย่างสมถะท่านไม่ขวนขวายไม่โลภมากเวลาไปหาท่านท่านก็ไม่เคยขอนูน่นขอนี่มีอะไรให้ท่านท่านก็ไม่บน่น ไม่ว่าจะอย่างใดให้มากให้น้อยหรือไม่ให้ก็ไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญมันทาให้เราอยากจะทำบุญกับพระแบบนี้มากกว่าเวลาไปเจอพระที่พอเห็นหน้าก็อ้าปากออกว่าเลยกำลังจะสร้างโบสถ์สร้างกุฏิสร้างห้องน้ำสร้างโน้นสร้างนี่ทำโน่นทานี่ขอร้องให้ช่วยเหลืออย่างนี้ถ้าไป เจอบ่อยๆเขาก็ไม่อยากจะไปอีกเพราะไปแล้วมันไม่ได้อะไรมันไม่มีอะไรที่น่าประทับใจมันมีแต่ความโลภมีแต่กิเลสให้เห็นญาณโยมก็พยายามหนีความโลภหาหนีกิเลสเพื่อจะไปหาธรรมะแต่พอไปเจอกิเลสเข้าอีกก็เลยบทกำลังใจนี่แหละการที่มีธรรมะเช่นความมากน้อยสันโดษนี้ จึงไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าอับอายแต่เป็นสิ่งที่น่าภูมิ อ, อกภูมิใจเพราะจะทําให้เราเป็นคนที่น่าคบค้าสมาคมน่าเลื่อมใส น, น่าช่วยเหลือถ้าเราเดือดร้อนจริงๆไม่ต้องกลัวเทวดาคุ้มครองคนแบบนี้เสมอจะไม่ตกทุกข์ได้ยากตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คือคนดี คนดีก็คือคนที่มีความมักน้อยสันโดษนั่นเองไม่ใช่เป็นคนมากมากอยากจะได้มากโลภมากคนอย่างนี้ไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยเพราะไปคบค้าสมาคมกับใครก็จะต้องไปเบียดเบียนผู้อื่นเสมอไปขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปขอยืมสิ่งนั้นสิ่งนี้จนกลายเป็นคนที่ไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วย ถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีความสุขและมีคนมีมีหน้ามีตาก็ขอให้เรามีความอดทนอดกัน้นมีความมักน้อยสันโดษอย่าไปกู้หนี้ยืมสินและเราจะอยู่อย่างมีความสุขประการสุดท้ายก็คือความสุขที่เกิดจากการกระทําที่ไม่เกิดโทษก็ดังที่ได้ พูดไว้แล้วว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรจะพูดอะไรขอให้เราทำในสิ่งที่ไม่เกิดโทษเช่นไม่ผิดศีลไม่ผิดกฎหมายเพราะการทําผิดกฎหมายก็จะมีโทษตามมาจาต้องถูกเจ้าหน้าที่จับเข้าคุกเข้าตารางหรือถูกจถูกถูกปรับเช่นเราขับรถ ฝ, ฝ่าไฟแดงอย่างนี้ตำรวจเห็นเขาก็ต้องเรียก แล้วก็จับเราปรับหรือขับรถเร็วเกินเกิดกำหนดก็จะถูกปรับได้หรือถ้าไปทาผิดกฎหมายอย่างอื่นเช่นไปลักทรัพย์ไปฆ่าผู้อื่นอย่างนี้ก็จะต้องถูกจับไปลงโทษเข้าคุกเข้าตารางหรือประหารชีวิตน อ, อกจากโทษที่จะเกิดในชาตินี้แล้วตายไปก็ยังต้องไปใช้ กรรมต่อในอาบายอีกบางทีก็ต้องไปตกนรกแล้วกม็มาเป็นเปรยแล้วก็มาเป็นเดรชาญกว่าก่อนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าทําผิดศีลทั้งห้าข้อนี้ก็จะต้องไปใช้กรรมต่อไปในในอาบายหลังจากที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วนะจุไม่คุ้มที่จะทาผิดศีลผิดธรรมหรือทาผิดกฎหมาย สู้อยู่แบบอดๆ อ, อย่างยา ก, ากลำบากลําบนอย่างน้อยก็ยังสบายอกสบายใจไม่ต้องหวาดกลัวไม่ต้องคอยหลบหนีเจ้าหน้าที่ตํำรวจไม่ต้องไปใช้เวงใช้กรรมต่อไปข้อสําคัญเราต้องมีความอดทนอดกั้นและต้องมีสติคอยดูการกระทําของเราอยู่เสมอเวลาเราพูดอะไรเราทําอะไร ต้องพิจารณาให้ดีว่าพูดไปแล้วจะเกิดโทษตามมาหรือไม่ทำไปแล้วจะเกิดโทษตามมาหรือไม่ถ้าเกิดโทษเราก็รีบหยุดเสียเช่นเราจะไปด่าผู้อื่นไปทะเลาะวิวาสกับผู้อื่นอย่างนี้เราก็ไม่ควรเราจะไปรักทรัพย์หรือเราจะไปทำไปฆ่าผู้อื่นเราก็ต้องรีบยับยัง้งการกระการทำหนานี้ พราะทำไปแล้วมันทาให้เกิดโทษมากกว่าเกิดประโยชน์ถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้สึกเจ็บช้ำน้ําใจที่คนอื่นมาทำทำอะไรกับเราก็ขอให้เราใช้เมตตาคือการให้อภัยคิดเสียว่าเป็นการใช้หนี้ก็แล้วกันเราคงเคยไปทำอะไรเขามาไว้ก่อนจึงทำให้เขาต้องมาทาเราบ้าง เมื่อเขาทำแล้วเราไม่ตอบโต้เรื่องมันก็จบถ้าเราไปตอบโต้เดี๋ยวเขาก็ตอบโต้กลับมาอีกตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาเดี๋ยวก็กลายเป็นสงครามฆ่ากันได้แล้วก็ต้องไปเป็นเวรเป็นกรรมในพบต่อต่อไปไปเกิดชาติไหนเจอกันเมื่ อ, อไหร่ก็จะจองเวรจองกรรมกันไปอยู่เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าเรา ให้อภัยเราไม่จองเวรเราไม่ตอบโต้เดี๋ยวเขาก็หยุดเองแล้วเขาก็จะไม่มายุ่งกับเราอีกเราก็จะไม่มีโทษตามมานี่คือการใช้ชีวิตที่มีความสุขคือต้องมีมีความเมตตามีการให้อภัยรู้จักทําใจให้เป็นอุเบกขา คือปล่อยวางวางเฉยอย่าไปตอบโต้อย่าไปมีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆที่ทำให้เราไม่พอ อ, อกไม่พอใจพยายามคิดเสียว่าเหมือนกับเหมือนกับฝนตกแดดออกเราไม่ไปมีปฏิกิริยากับฝนตกแดดออกฝนตกก็ปล่อยตกไปแดดออกก็ปล่อยแดดออกไป คนคนอื่นจะพูดจะทำอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปทําไปก็จะไม่มีเรื่องจะไม่มีปัญหาตามมาไม่มีโทษตามมานี่คือเรื่องของความสุขของผู้ครองเรือนที่มีอยู่4ประการด้วยกันคือการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์สองการได้ใช้ทรัพย์สามการไม่มีหนี้สี่การกระทาที่ไม่เกิดโทษ เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายควรจะนำเอาไปพิจิตพิจารณาและใช้เพราะจะทำให้เรามีความสุขจะทำให้เราไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายต่างๆจึงขอฝากเรื่องราวของความสุขนี้ให้ท่านแนะนาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงข อ, อยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณขระศีลป์รัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มาก็ทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเธอ